มาสาธยายมาพูดออกจากปากของเรากิดใส่ใจตามเกิดความเห็นด้วยว่าสัมมาทิฏฐิเห็นตามไม่มีตรงไหนกัดแจ้งได้สิ่งที่เราสาธยายไป <c oughs> แล้วก็ามาฟังทำความเห็นมารับรู้รับเห็นด้วยกันอย่ามอ่วไ่แต่มีอยู่ในตำรับตำลาเป็นคำสอนของพระเจ้าไม่ใช่เรามีแนวร่วม <c oughs> ที่จะรู้เห็นรับผิดชอบ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 เรามาเจริญสติมีสติคือความรู้สึกความลึกได้สติเดี๋ยวนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับพระพุทธเจ้าปัานเดียวกันอยู่ใกล้กันดิดเดียวผู้ดได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ดไดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรรม ต้องมีอย่างนี้ <c oughs> ไอ้เช่จะไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าสมัยโน้นหรือทุกวันนี้ก็ไปกราบไปไหว้อะไรต่างๆสังเวชนิสสถานพระพุทธรลกศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ว่าให้องนั่นเป็นพระอริยะว่าให้หลวงว่าองนี่เป็น สุปฏิปโนไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราทุกิวิตเราสวดว่าผู้ดใดเห็นธรรมผูใ้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นปฏิจจสุปบาตปฏิจจสุปบาตคือนองเนืยกันที่มันเกิด อ, อยู่ในเรา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 ให้มันเห็นชัดเจนกายกเราก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายกายของเรานี่กับกายพระพุทธเจ้าก็คื อ, อเดียวกันจะเป็นใครที่ไหนอยู่โลกใดไหนก็คือกายโลกคือมูสัตต์คำชลาจะเท่ายัางเข้ามายั่งยืน <c oughs> เหมือนกันทุกชีวิต เป็นสุขเป็นทุกข์ของวันกันแต่พระพุทธเจ้าโอากายมาเป็นสิ่งและขุมชั่วมาเป็นสิ่งทํากรรมดีมาเป็นสิ่งมรรุธรรมแต่มนุษย์สัพพิจัตต์ทั้งหลายเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์มาทําชั่วมาทำถ้าให้เกิดปัญหาเจอะตัวเองแล้วคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น ก็จะต่างกันนะจึงมาเห็นว่ากายสวากายเห็นค่้อยตามพระพุทธเจ้าดูวม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นกายซื่อๆมันร้อนก็มันร้อนซื่อๆของเขามันปวดก็มันปวดซื่อๆมันมีอะไรแสดงออกทางกายมากมายมันเป็นของซื่อๆของธรรมชาติกาลการของเขา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 มันเป็นหน้าโลกมันเหมือนตาเนื้อตาเนื้อมันไปทางเดียวเหมือนเสยไฟฉายแต่ตาภายในคือสติเนี่ยมันเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้เอ่ทางไม่มีรูปก็รู้จังเวทนาเน่มันเป็น สุขเป็นทุกข์ที่ไม่มีลูกมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะไปหลงผิดเป็นตัวเป็นตนกับเปทนาว่าสุขวัาทุกข์คือเรามันไม่ใช่ลูกแม้แต่ความคิดเฉยๆก็มาเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อยชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นบัญญัติเป็นสมมุติขึ้นมา ในความสุขความทุกข์ก็มีอะไรที่เป็นควรงานหลายอย่างความชอบอุปทานความหลงนิสัยอุปนิสัยจริตต่างๆเข้าไปร่วมลายเป็นพบเป็นชาติไปมันยากขนาดนั้นก็ยังพากันเดินไปกับลักษณะเช่นนั้นในชีวิตเราลุกลุงหลงัง ถ้ามันรู้ชื่อจากว่ากายไม่เช่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรหลวงพอเทียนเปรียบเทียบมันกับติงกัดเราเรามือไปดึงออกมันบอกมันไม่ออกดึงปากหนึ่งมันดิดติดปากหนึ่ง ดึงปากเดึงมันก็ติดอีกปากหนึ่งแตไ้ก่อนเนี่ยคำว่าปลีกเนี่ยอยู่ในน้ำถ้าใครลองน้ำก็เจอเทันทีทำนาก็มีปลีงปลีง ก, กัดเวลาลำนาลอยน้ำแต่ทุกวันนี้ไม่มีปลีงเพราะกำมกโซนเพราะปุ๋ยเคมีสารพิษต่างๆ หมดไปอีกสักหน่อยชีวิตเราก็หมดไปเพราะคนเราให้มันยุ่งยุ่ ง, ย, งยากๆหลายอย่างถูกหลอกห้อยหลายอย่างทางตา ก, ก็หลอกทางหูก็หลอกข่าวสารข้อมูลต่างๆสิ่งแวดลอมที่มันให้ข้อมูลเราผิดผิดไปแต่ว่า ข้อมูลที่จริงๆน่ะคือรูสื่อๆเี๋ยเข้าไปเราเจริญสติคือความรูสื่อๆเข้าไปนะหวพ่าเถียนอะไรบอกว่าเอายาสูบใส่นามันกาดบีบลงไปใส่ปากกรีงไม่ต้องไปดึงมันมันก็หลุดออกไปเลยอันตัวรูสื่อๆเนี่ยเหมือนกับ เอาออกอะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ออกจากกายจากใจเราแล้วไม่ต้องถับบังลายไม่เหมือนกับการดึงตีกอกจากกายไม่เหมือนไปสู้กับทุกข์ว่าอยากได้สุขมันยากเพียงแต่เห็นซื่อๆเข้าไปนะมันก็มียาดี دة. ยาห่อใหญ่อยู่ในเราเอง เราไมา่เอยใช่กันไปใช่อุปทานบ้างไปความเห็นบ้างไปเป็นนิสัยบ้างจริตนิสัยต่างๆอิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราสิ่งนี้ถูกใจเราเอาใจมาเป็นที่ถูกให้ความชอบใจไม่ใช่ความชอบทำราใช้ชีวิตก็มีนิสัยต่างกันนะชอบไม่ชอบต่างกันความชอบของเรา อาจจะเป็นความไม่ชอบคนอื่นความชอบของคนอื่นอาจจะไม่ชอบของเราความสุขของเราเป็นความทุกข์คนอื่นความทุกข์คนอื่นเป็นความสุขของเรามีอยู่มากในโลกนี้จะจะมารับรู้รับเห็นใ้ตัวเรานี้มันได้คำตอบอเอากายเอาใจมันเป็นเครื่องหลุดทน เอากายใจมาเป็นเครื่องอุปทานยึดยึดจนใจขาดร้องให้เสียใจเขาบอกพระเจ้าบอกเราว่ามันก็เป็นฉะนั้นความชราเส่ท่าอดนำเข้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เพพาะตนมันก็ไหลไปของมันนั่งอยู่นี่มก็ไหลไป ไหลไปไม่ยั่งยืนไม่อยู่คงที่ที่ว่ากายหรือว่าใจรักหรือว่าวัตตะมีเยอะแยะเลยที่เป็นคำสอนที่เป็นการแสดงเหลยตัวเรามีมากเหลือเกินเรามามีสติอันเดียวเห็นหมดทุกอย่าง เห็นอะไรที่มันแจ้งออกก็รู้แล้วรู้ชื่อชื่ออย่าไปทําให้มันไม่ถูกต้องการเจริญจิตเนี่ยของอยากของง่ายไมนเป็นของอยากเปนของเบาเป็นของหนักเช่นไปสู้กับความคิดไม่อยากให้มันคิดแล้วก็ยังคิดอยู่ทำมันยังคิดมันก็ยากไปไปไปชื่อชื่อแล้วมั น, ปมนมมเป็นอะไรบัญญัติสมมุติเป็นทุขเป็นทุกข์เป็นชอบไม่ชอบโย่แช่ไปเลย เป็นตัวเป็นตนเป็นพพเป็นชาติเขาแสดงออกอันใดก็มีร่วมไปกับเขาไปค่ามีค่าไปกับเขาไม่ใช่เวลานี้ที่มันแสดงต่อหน้าต่อตามันก็แสดงมาแล้วเป็นสี่สิบห้าสิบปีก็มีมันอะไรมันติดมันเพื่อนมาในกาย ใ, ในใจเรามันก็แสดงออก <c oughs> ไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้ามันมีมาแล้วจงมา ลู่มันจ้าจถ้าลู่นี้มันก็สิ้นเว็นชิ้นกรรมไปเปลี่ยนจริตนิสัยได้หรืวอว่าขอนิสัยได้นิสัยจากครูที่เจ้าได้นิสัยจากตัวลู่ซื่อๆว่าที่ลู่ซื่อๆตัวเนี่ยมาช่วยกันลู่เห็นดันนี่มาช่วยกันอย่าให้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งจะไปมั่วไพ่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 การัดจะลูกของพวกเจ้าเป็นเรื่องของเราแท้ๆไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมทุกคนทุกชีวิตแล้วก็ไปต่อไปเข้าได้ผ่านในร่วมหาวิเลยที่ใดมาอยู่กับตัวเราเนะาี่ยมาลูกมาศึกษาพวกเราที่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้จริงๆนะ มาลู่ซื่อเนี่ยไม่ให้ค่าอะไรมันจะมีค่าอะไรในชีวิตเรานะคำารักก็มีค่าคำาชังก็มีค่าความสุขก็มีค่าความทุกข์มีค่าความผิดก็มีค่าความถูกมีค่าความหลงมีค่าความไม่หลงก็มีค่ามันก็เลยแสดง เวทีของกายของใจเรามันไปยึดเอาไปแสดงในค่าต่างๆแสดงในความหลงแสดงในความรู้แสดงในความสุขแสดงในความทุกข์ให้ขอว่าแสดงหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจของรักายเป็นของชังก็ได้ของชังกลายเป็นของลักก็ได้ความชอบกายเป็นความไม่ชอบ ความไม่ชอบใครเป็นความชอบความพอใจความเสียใจความไม่พอใจมันก็เป็นอุปทานเป็นพวพเป็นชาติแล้วยึงมาลู้ซื่อโดยมีสติเอาฐานไว้ตั้งฐานไว้ตั้งฐานคือภาะวะลู้เอากายมาจุ่มมาต่อกับความรู้อันนี้ไม่ใช่คิดเหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเอามาต่อจริง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 มันจะให้ ه, ไปอย่างได้การปฏิบัติธรรมเอาให้ใครแสดงให้เราดอนอกจากเราเอกรารบรรลุธรรมก็เป็นบรรลุธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ใครให้เราบรรลุธรรมคือพ้นไปจากเพราะว่าที่มันเคยเป็ น, นเคยมีนันไม่มีค่าสำหรับความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่ามันพ้นไปจากความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีค่าเลย แต่ก่อนนี่มันมีค่ามันหอบพีวเราไปหาความสุขมันหอบพี่เราไปหนีทุกขหาความสุขความทุกข์ตามไปหาความทุกข์ความสุขก็มีบางทีเอ็ทุทกข์ใจหาทางออกโหลดตามตายกินยาตายมันไมาใช่ในความทุกข์ก็ ม, มีความไม่ทุกข์ในความ เก็บก็มีความไม่เก็บในความแต่ก็มีความไม่แต่ในความตายก็มีความไม่ตายไม่ต้องไปหนีมันมันยากไหม <c oughs> อย่างนี้มันยากไหมจะต้องให้ใครมาช่วยเราเรื่องที่เราไปคนเดียวไม่มีไม่มีบุคคลที่สอง วันนก็แบบจบคอนแจ่หมวยญาติพี่น้องลูกหลานร้องโงมร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์พัดพลาดจากของรักของเล็กใจเป็นทุกข์ปาถื่อนชินใดไม่ได้สินนั่นเป็นทุกข์ควไม่สบายกายก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ามาเอามาเป็นทุกข์ เราล่องให้เราเสียใๆมันได้แหละกําลักก็เป็นทุกข์ความชังก็เป็นทุกข์คนดีเราเป็นทุกข์เพราะคนดีเราเป็นทุกข์เพราะคนชั่วอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีสุภาพสตรีสองคนมาหาหลวงตาที่นี่ <c oughs> คนหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะสามีตายไปอุบัติเหตุ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 รักลูกรักเมียประกอบกนนรารนาาชีพพระราชการเป็นหมอเธอเป็นพยาบาลเร mm ือ hmm. ก็พูดได้ฟังพอเข้าใจพอวีความเห็นได้หน้าตาก็ไม่เศร้าหวงยิ่ม mm hmm. ได้เป็นบางโอกาส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 มันก็ไปทุกข์อ้าสามีเป็นคนดีก็ทุกข์นะเธอคนเนี้ยสามีเป็นคนดีก็ทุกข์เธ อ, อนี่สามีคนไม่ดีก็ทุกข์คือเท่มันคือทุกข์มันไม่ใช่เราก็มาลู่จะเออนี่เป็นเช่นนี้เองเอาชีวิตไปห้อยไปแขีนไว้กับสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นที่มันทําให้เราได้ เป็นของเราเอาอันอื่นมายึดของมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปเขนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเอาไปแขนไว้กับอันใดที่มันผุพังอันใดที่มันฉากง่ายๆบางอย่างที่เอาไปแขนไว้มันไม่ใช่เรามันคนอื่นอันอื่นไปมันก็พลาดได้แล้วก็หอกเก็บปวดชีวิตเราต้องเป็นตัวของเราเองไม่ใช่ไปห้อยไปเขีนไว้ ในโลกนี้ชีวิตของคนเนะ่ะเป็นทุกเพราะเรื่องนี้กันเยอะเพราะเอาไปค้อยไปเขียนไว้แต่ความปิดความพลาของตัวเองก็มีมากมายแล้วไปอาศัยคนอื่นให้ไม่ให้เหมือนเราให้เหมือนเราไปเกนเขาให้เหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์พราะพอที่จะเข้าใจปากันยิ่มเยี่ยมแยมใจไปด้วยกัน ก็ได้เนี่ยถ้าเราไปถึงตรงด้านแล้วมันแม้กไม่มีทางออกมันก็จนซะเราจึงหาทางใน้พบตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ถึงวันนั้นวันเกิดเจเจิตตาเจีงจะไปแก้ไขมันแก้ไม่ได้มันก็มืดแปดด้านมาเหยียบทางไว้มาเดินเอาไว้ให้มันลอยบ้างลอย สู่ความหลุดพ้นคือความรู้ซือ่อๆเอาไว้เห็นอะไรก็เอาซื่อๆเนี่ยเอาไว้ให้เป็นรอยสักหน่อยเดี๋ยมันไม่มีรอยเลยเหมือนกับทาเดินยงกรม ม, มีแต่ใบตองมีแต่ขยะพมื่อเราเดินไปเดินมาก็กลายเป็นรอยได้ขยะในหัวใจเรา จริงลงลังพระหลงพลังในหัวใจเราในคายเราติดเล่าติดบุหรี่มันก็เห็นแต่รอยอันนี้ไม่มีรอยเลยนั่งสร้างแจงวะมันก็บุหรี่ออกฉายมาเป็นรอยแห่งบุหรี่เล่าก็ฉายออกมาวางทีไปสอนคนเลิกสูบบุหรี่เออ มันก็ใช่ไม่ได้แล้วชีวิตหลงตาเนี่ยนั่งสร้างจังหวะไปสอนเขาเป็นเพื่อนกันนะหน่าสร้างจังหวะก็นั่งอยู่สร้างจังหวะไปสร้างจังหวะห ม, มือขั้วไปขัว้วเบอเป่าปรเดี๋ยวหันหน้าไปทางมือที่มันขั้วไปอะเลยว่า ร, วรู้สึกไหม มือมันออกไปอย่างนั้นไม่รู้มันทําไปอย่างไปนั้นนู้นอาจจะไปคว้าเอาหอกบุหรี่มาสูบว่ามันหิวก็แสดงไปต่างกามือคว้าไปหาบุหรี่มันเคยติดนิจใจมาเมื่อมันหิวก็เอาบุหรี่มาสูบไม่มีก็หาทํางานอยู่ก็ต้องหนีจากงานไปหาบางทีไปจูก้กู้เงินมายังได้ยินเคยได้ยินเลยขึ้นรนไป ยืมเงินเพื่อนยืมเงินสักสิบบาทนะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ได้พอได้เงินมาจิบบาทไปชื่อบุตรีเลยบาทออกบาทที่จ่ายครั้งแรกชื่อบุหรีเลยเนี่ยมันไปเหรอมันก็ลอยมันไป้นะ อ, ยไปอยแห่งความรักรอยแห่งความจัง้อยแห่งความชอบ้อยแห่งความไม่ชอบมันใช่เราเรารับใช่มันมันก็เลยติดไป เราจึงขับนมาเวลามันคิดไปหลงไปขับมาลู่มันทันทีเอาเวลาเขาก็เลิกได้เราใช่ไม่เป็นแต่ก่อนว่ามันตัวลู่ตัวหลงมาอยู่ตรงไหนกันตัวที่มันหลงมาก็มีตัวลู่อยู่แล้วก็ยังใช่มันใช่ตัวลู่ทุกโอกาสเลยทุกกรณี นี่เป็นเป็นของใช้ได้นะที่เราทำอะไรมันเป็นอาการิทธิรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นของทำไม่ได้เลยพระธรรมพระผู้มีพระภาคยา่อตัดไว้ดีแล้วทำดีมันก็ดีทำชัวช่วมันก็ชั่วตัวหลงก็ได้หลงตัวรู้ก็ได้รู้สันทิจโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา ปฏิบัติได้ด้วยตนเองอาาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ไม่จำกัดการเลยตอนเช้าตอนเย็นตอนได้ก็ได้ถ้ามันหลงก็รู้ทันทีมันทุกข์ก็รู้ทันทีมันสศกก็รู้ทันทีรู้ซื่อๆเข้าไปเอฮิปจิโกอ้าวชวนมาดูมา ด, มาดูมาดูเรื่องนี้ลองดูมาดูมาดู โอ้บรรณายโกงน้อมเราเข้าไปไปเป็นผู้ลู่เป็นเห็นเห็นมันหลงที่ใดก็รููทีนั่นน่ะน้อมไปอย่าไปทําอื่นอย่าเอาเหตุเอาผลวัทีมันออกไปเอาเหตุเอาผลเอาตัวเองไปเป็นที่วัดเราชอบเราไม่ชอบยกมือ จ, าจา้างใจวะเราไม่ชอบนั่งนิ่งๆอย่า ง, ง, งนี้เราชอบเราชอบแบบนี้นิจใจเราชอบนีอ้านิจใจอะไร น, นิจใจอุปทาน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 ไม่ใช่พรุ่นี้ใช่ชั่วโมงหน้าไม่ใช่วินาทีหน้าเป็นวิถีนี่ทันทียกเมือขึ้นก็รู้ทันทีอะไรที่มันเกินไว้จากกาจะกใจรู้ทันทีปัดจัดตังเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาให้ควงซื่อๆมันต่อหน้าต่อตาไม่ค่ามันเลย มันจะเก่งนั่กับว่าเอ้าก้อนเนื้อแต่บอลปวดท้องอย่างหนักก็บรูดปันก็รูดชื่อๆมันไม่มีตัวเป็นตนเป็นผู้ปวดไม่มีตัวเป็นตนเป็นผู้ปวดมันซื่อือมานานแล้วสี่สิบกว่าปีมันซื่อซือมานานแล้วมันมีค่าอะไรไหมปวดท้องก้อนเนื้อแต่บอลหมอฉายเอกซเลย์ที่จีมิเกีนเน่ยก้อนเนื้อแต่บออนแล้วหมอที่เป็น สำเร็จการผ่าตัดที่จุลามายินเข้าแถวเนี่หลวงพ่อผมเป็นแพทย์ผ่าตัดจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมถ้าจะต้องผ่าตัดเขาฟีมเบ็กเชเลยว่าให้ดูเห็นก้อนเนื้อเขาชี้บอกอยู่ในตับว่อนอ๋อก็ลูกชื่อๆนะไปสุขไปทุกข์เหรือ ตรวจไม่มีโรคดีใจตัวตรวจมีโรคเสียใจบางทีพอหมอบอกก็เสียใจละหมอก็เลยมียาของแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเลยไม่ซื่อๆเสาะเพราะถ้าผู้บอกผู้ถูกบอกก็ไม่มีตัวซื่อๆมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์กลัวๆก็ก้ามันก็ลงโทษตัวเราไป เรามโลเชืเชื่ออ้าวจะเป็นไงก็โลดแล้วว่าโลกคือบูช์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดแก่จะตายไม่ใช่เรามันเกิดเฉยเฉยมันแก่เฉยเฉมันเจ็บเฉยเมันตายเฉยเฉมันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตของสัมประจัตว์เราไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้ เราโมลู้ซื้อๆเข้าไปว่าใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่แสดงถึงความเจ็บ <c oughs> ไม่ให้นราร่วมมันถ้าเราให้ค่ามันมากก็เป็นค่ามา ก, เ, ก, ก เ, า เ, จเจ็บก็ตัวเราเจ็บแก่ก็ตัวเราแก่ตายก็คือเราตายล้ววานก็ ลองไห้เสียใจบรรดาประวัติก็ใส่อารมณ์เข้าไปคนฟังลูกเต่าร้านก็ค่อยตามเสียใจใลองให้กันหลายอย่างที่สร้างให้เกิดความล้มน้อมไปหลงผิดเออมันก็มีกําลังใจแค่นัา้าเ อ, อ้พ่อเราตายแม่เราตายเรายังอยู่โดยต้องลำลองวุตกุลเรายังไม่ตายชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่ ต้องมีกำลังเช่มแข็งบุกท่าเลยไปทำกวามดยไลยไปละความชั่วเลยไปก็ลเลยบอกว่ า, วาเออชีวิตของเรานี้มื่อเรามีพระสง์องค์เจ้าพี่น้องญาติโยมมาจากทุกจัิตมาส่งถึงเชิงตะกอนพอจุดไฟเผาเขาก็กลับไปเหลือแต่อะไรจะพาไปคือบุญกับบาปถ้าคนทำมีบุญควงรู้จะชื่อบุญพาไป เป็นสุคติถ้านีบาปไม่ซื่อซื่อก็บาปพาไปเป็นทุคติเป็นของโวนตัวเลว็กวะเนี่ยไรสองคนพไปคือความไปซื่ออความไปรู้ซื่อื่อความเป็นพบพแพร่พชาติก็พาไปไม่ใช่อย่างไม่ตายก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่ก็ไปแล้วไปอะไรไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบหลายพพหลายชาติเลยเกิดเกิดดับเกิดดับ บรรยากาศในใจเราเนี่ยเราเจะมาให้มันชิ้นพบชิ้นชาติซะกลัวไหมสิ้นภพชิ้นชาติคือชิ้นยังไงคือไม่มีค่าเป็นชีวิตล้วนลวนไม่ให้เป็นโทษต่อเราเองไม่เป็นโทษต่อคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นผลประโยชน์กระทบไปต่ทางที่ดีไป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 ความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุดใดว่าฝนน้ำต้นชาแห้งแล้งหรือท่วมไปเพราะเหตุใดพวกศิล้เปินได้ก็มาสํารวจสิ่งที่มันพาให้เกิดความร้อ น, ค ว, อนความแห้งแล้งมันเกิดจากอะไรไม่ใช่การพูดกันมาเขียนเป็นภาพเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็ก็ทํากิจกรรมนั่งนี้เราไม่เคยตัดต้นไม้จากต้นเราก็ลําบาก เราไม่เคยเป็นงอนชั่วเราก็ลําบากคนเดินชั่วมากแต่เราไม่ทําชั่วคนเดียวมันไม่เพียงพอจึงมาช่วยกันพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าลูกดีลูกชอบด้วยพรงเองแล้วสอนเขาเดือดรู้ตามถ้าไม่สอนก็เป็นปัจเจกพุทธชูญเต่าไปเลยมีมากมายปัจเจกพุทธะ อันนี้พระพุทธเจ้าสมมาสมพุทโธสอนคนอื่นลูดตามเรียกว่าสมมาสัมพุท ธ, ธถ้าใครยังไม่สอนไม่บอกคนอื่นให้ลูดตามเรียกว่าพุท ธ, ธะเฉยๆมีมากท่านเราจึงอดไม่ได้ต้องมาชวนกันมาตั้งสถานที่ขึ้นมาพอมีสัพยะมีเสนาจารยสัพยะเพื่อการนี้ มีอาหารสั ป, ประยะเพื่อการนี้มีบุคคลสั ป, ประยะบุคลากรในวัดเพื่อการนี้มีธรรมมาจับ ป, ปะยะเพื่อให้คนมารู้เรื่องนี้สับ ป, ประหยะสี่อย่างแน่คิดว่าเพียงพอต่อที่นี่พอใช้ได้หลวงพ่อก็นั่งพูดอยู่นี่พญ า, านได้ก็พาสอนพาทำไม่ใช่เราบอกเท่งแบบรับผิดชอบ อาจารย์เพื่อพาเราทำก็เหมือนกับแม่ไก่กกไข่ถ้าไม่กกมันไม่ออกลูกเหมือนตีเหล็กถ้าไม่ร่อนมันตีไม่ได้ต้องเผาให้มันร่อนจึงตีได้แม่ไก่ถ้าไม่กกไข่มันก็ไม่ออกลูกมันเน่าอะครรมาฐานแม่ไก่ทำมนาที่หลายลูกผู้แรอธิการต่างๆเจ้าอธิการเสนาสนะ เจ้าดีการอาหารเจ้าดีการขังเราก็มีขังมีสำนัก ง, งานมีของใช่จ่ายถ้าใครมาก็มารับที่นั่นไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องบอกใครเป็นของเราบ้านเราที่ของเราอยู่จีวันจีเดือนก็มาไม่มีใครยุ่งยากเพราะเราเพราะหัวใจของเราเนี่ย ให้อยากให้เป็นอย่างนี้ในประเทศไทยในโลกว่ามันก <_ C. S 1> ็แค่นี้แต่มั น, ม, น, ม, นมันมีความคิดอย่างนี้นะ ก, ก, ก็ยากๆจนๆอยู่เนี่ยแต่ว่าความคิดนี่ยตั้งมาแล้ว c t ีก็แค่นี้ก็ขอ อ, อยู่กันได้แล้วก็ไม่ชอบเลี่ยมยรียบชอบว่าไปแล้วก็ชอบธรรมดาธรรมดา อาจารย์ต้องกวาท า, าสีดำๆไม่ต้องถาสีไอ้นั่งอย่างนี้ไม่ปูผมไม่บัวอะไรผมผืนหนึ่งร้ายหมื่นบาทไม่ต้องมาปูกระดานพื้นกระดานพื้นสอกดังน่้นห้าสิบสี่บาทมันดีกว่าผมถ้าผมมันเป็นมนลภาวะมีขี้ฝุ่นเมื่อมีผมเราก็ต้อง ซือเครื่องดูดฝุนมาอีกมีไฟฟ้าอีกอันนี้พวกเราก็หกันถูกันพระท่านก็ถูกันพวกเราก็ถูกันก็จัดอ้าวก็พูดไปเอา้าวันนี้ก็สมควรเจเวลาพวกเรากราบ พ, พ๊อมกัน